ถ้าพระพุทธเจ้าไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะเครียดตายกันเลยแต่มาไม่พระองค์จะทําให้เขาสบายใจโดยส่วนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วแต่พระองค์เขาไม่กลัวผู้ใดเลยเพราะพระองค์ครอบงําโลกธรรมทั้งแปดประการได้นนะครอบงําลาบเสื่อมลาบยศเสือเส่อมยศนินทาสรรเสริญความสุขความทุกข์เนี่ยนะจิตใจของพระองค์อยู่เหนือโลกธรรมเป็นจิตใจที่ไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมทั้งแปดขณะเดียวกันพระองค์ก็ฆ่าลัทธิฆ่ามิจฉาทิฏฐิ นะนะลัทธิก็คือมิจฉาทิฐิของศาสดาอื่นๆเพราะฉะนั้นการบรรลือของพระองค์เนี่ยเป็นการบรรลือแบบคนที่อยู่เหนือโลกธรรมเป็นคนที่ข่าลัทธิเข้าใจผิดๆได้หมดก็เลยเรียกว่าสีหนาศสีหนาธาเ น, นี่ยนะการบรรลือศีหนาาอธิบายว่าอีกในหนึ่งนะราชสะศีเนี่ยถึงพร้อมด้วยกําลังของสีหะเลกล้ากล้าปราศจากขนพองบรรลือศีหน้าในที่ทั้งปวงเช่นใด ก็บอกว่าไม่เคยมีในพระไตรปิฎกหรือในคำพิธีที่กล่าวว่าราชสีกลัวจนตัวสั่นแบบนี้ไม่มีมีแต่ความไม่กลัวฉันใดสีหะคือพระตถาคตพูดถึงพร้อมด้วยกำลังทศพลยานแล้วเนี่ยก็เกล้วกล้า ป, ปราศจากขนพองบรรลือสีหนาถที่ถึงพร้อมด้วยสีหนาถที่โปรองคเปล่งเนี่ยนะกว้างขวางเพราะพระธรรมเทศนามีวิธีการต่าง คือลับลักษณะลัทธิของมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเห <ương. S 1> ็นรูปโดยความเป็นอัตตาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาอัตตาอยู่ในรูปอัตตาอยู่ในเวทนาอัตตาอยู่ในสัญญาอัตตาอยู่ในสังขารอัตตาอยู่ในวิญญาณหรือว่ารูปอยู่ในอัตตาเวทนาอยู่ในอัตตาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างอยู่ในอัตตา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 ที่พูดอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าใครพูดอย่างเนี้ยคิดอย่างนี้เข้าใจถูกไหมมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเรื่เกิดจากพลังงานของอะระบบเครื่องเครื่องยนต์กลไกระบบของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นเนี่ยมันเป็นระบบของสิ่งเหล่านั้นสามารถทําให้เปล่งเสียงออกมาแต่ผู้ที่เข้าใจผิดก็นึกว่าแม้มีใครไปอยู่ในนั้นไปคอยคำรามแต่ชั้นใดผู้ที่ลทัทธิอุเฉททิฐิหรือสัสถิทิ ท, ทิทั้งหลายก็เหมือนกันไปเห็นรูปว่าเป็นอัตตา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 เพราะเมื่ อ, อไรอย่างไรที่ไหนอย่างไรมันก็คืออนัตตาวางนั้นเถอะจะคุณจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกมันก็คืออนัตตาต่อให้เข้าใจผิดอีกสามร้อยตลบมันก็คือความเป็นอนัตตาเพราะเมื่อไรอัตตามันก็ไม่มีแต่ทิฏฐิทั้งหลายของเดียรถีเข้าใจผิดว่ามีอัตตาเพราะฉันจะทำอะไรก็ไม่มีอัตตาสักอย่างแต่ความเข้าใจผิดมีอยู่นะไอ้อัตานุทิฏฐิเนี่ยมันเป็นทิฏฐิ มันเป็นความเข้าใจผิดมันเป็นความวิประลาดเท่านั้นเองซึ่งอัตตาจริงๆไม่มีอยู่จริงนะไม่มีอยู่จริงแต่ที่บอกว่าอัตตสัมมาปณิทิภาวะวิตตานังเนี่ยนะไอการฝึกตนการอบรมตนอัตตาที่ปาอัตตาสารนะเป็นต้นไอคำนั้นมีความหมายว่าจิตหรือคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะควรตั้งไว้ให้มีคุณธรรมอัตตสัมมาปณิทิจะเป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นอัตตา ท, ทั่วไปไม่มีอยู่จริง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 อัตตาแต่มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายสับสนสับสนก็เลยไปคิดว่าขันห้าอายตนะถ้าเป็นอัตตาซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อัตตาพระองค์นี้คำรามบอกว่านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้อายตนะนี้ธาตุอันนี้แหละเรียกว่าการบรรลือสีธนาแล้วบรรลือต่อไปอีกว่านี้รูปนี้เหตุเกิดเหตุประชุมสร้างรูปขึ้นนี้ธรรมะที่ดับรูป นี้เวทนานี้เหตุที่สร้างเวทนาขึ้นนี้คือความดับเวทนานี้สัญญานี้เหตุที่สร้างสัญญาขึ้นนี้ความดับเหตุที่สร้างสัญญาเนี่ยนะนี้สังขารนี้เหตุที่สร้างสังขารขึ้นนี้ความดับเหตุให้เกิดสังขารนี้วิญญาณนี้เหตุให้เกิดวิญญาณนี้ความดับเหตุให้เกิดวิญญาณการบรลือย่างนี้เรียกว่าบลูสีหนาต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 นันบยังไงชาติดับนันบยังไงปกติทุกคนที่มานั่งอยู่เนี่ยชาราแล้วก็เกือบมรณะกันแล้วเนี่ยนะถามว่าชาติมันอยู่ไหมตอนเนี้ยเอา้าตอนเนี้ยชาติยังอยู่ไหมยอยู่หรือไม่อยู่อยู่ตรงไหนไอ้ไม่อยู่นี่ไม่อยู่ตรงไหน <c oughs> เพราะฉะนั้นชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธ ชรามรณะนิโรธขามินีปฏิปทานเนี่ยนะชรามรณะเหตุให้เกิดชรามรณะคือชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธคือธรรมะที่ดับชาติไม่ใช่สักแต่ว่าชาติดับตอนนี้ทุกคนเนี่ยชาติดับกันหมดแล้วเนี่ยนะเพราะชาติมันดับเนี่ยนะมันจึงชรามแต่ตอนเนี้ยเพราะมันไม่มีชาติแล้วมันจึงเหลือชาราแต่ทั้งหมดชรามรณะมันก็ขึ้นชาติอีกเนี่ยนะมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอันนี้ดับแล้วอันนี้ก็ดับ ไม่ใช่อันนี้ดับไปแล้วอันนี้ก็ดับไปเลยหมอกไหมถ้าไม่ตรัสรู้เป็นตรัสรู้ธรรมที่ดับชาติอย่าคิดว่าจะสิ้นชราและมรณะถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมะที่ดับภพไม่ใช่แค่พบดับนะพพดับกับดับพบไม่เหมือนกันภาวะนิโรธาเนี่ยความดับภพไม่ใช่พบดับนี่นะความดับภพนะไม่ใช่พบดับอ่อวิชานิโรธเนี่ยนะดับอวิชาม่ใช่อวิชาดับ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 ชาติจึงจะดับถ้าดับชาติได้ชรามรณะจึงดับมันถูกดับมันไม่ใช่ว่ามันเกิดดับอนะถ้ามันเกิดดับเอ้าเมื่อไหร่มันไม่ดับบ้างออกถ้ามันดับเมื่อไหร่ทันว่นิพพานเ่ยมันก็เลยตัดถังค้านิพพานบว่าว่ากันไปใหญ่แล้วกันเนี่ยไม่ต้องไปสร้างบารมีอะไรทั้งนั้นเพราะมันเกิดดับมันนั่งเคาะกลมังแป้งแป้งแป้งแป้งมันก็บรรลุเกิดดับแล้วเกิดบรรลุแล้วว่ากันไม่น้าละลังลับที่ก็นั่งเคาะอะไรสักอย่างป้งป้งป้งป้งแป้งจะได้รู้เกิดรู้ดับว่ากัน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 พระนิพพานไม่ใช่แค่ว่ามันดับเฉยๆมีอะไรบ้างที่ถ้าเกิดแล้วที่ไม่ไม่สิ้นไปมีไหมไม่มีสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาของสังขารแต่ถ้าไม่ตรัสรู้ ร, รมเป็นที่เกิด น, นะตรัสรู้ความดับทำรรสร้างเหตุเนี่ยนะก็ยังไงมันก็ไม่พ้นจากทุกเพราะฉะนั้นอวิอ่นะที่เราบอกว่าเพราะตัณหานั่นแหละดับ ดับนี่หมายว่าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับตัณหาเพราะอาวิชชานั่นแหละดับเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับอวิชชาดับไปไม่ใช่ลักษณะดับเพราะอุปาทาทิฏิพังคะแต่ดับไปเพราะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับดับอะไรดับอะไรนะดับอวิชชาเมื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับอวิชชาแล้วนั่นแหละอวิชชาจึงจะดับเนะนะี่ยนะแปลว่าต้องอยู่พ้นวิสัยของอวิชชานั่นแหละอวิชชาจึงจะดับ ไม่ใช่สักแต่ว่าอาวิชาเกิดดับถ้าหากว่าแค่รู้ว่ า, าวิชาเกิดดับอย่างเงี้ยได้ดีแน่นอนเช่นตันหาเกิดดับเขามีเ้านั่งคุยกันเขานั่งคุยกั น, น, กนแล้วเขาโกรธโกรธโอ้โหโกรธและเอเอะวายวายอันนั้นคนคนที่พูดเนี่ยรู้ธรรมะบ้างนะมันรู้แบบแต่ว่ามันรู้แบบจะว่างูก็ไม่ใช่ปลาก็ไม่เชิงมันก็รู้แบบอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วเขาโกรธบ้างเถียงกันจนหน้าดําหน้าแดงโกรธเสร็จแล้วเขาอยากเข้าโกรธเข้าเถียงแพ้ คุยธรรมะนะแต่ว่าจิตเป็นอนธรรมงนั้นเสร็จแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็ไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งพขายุ่วมากโกรธแรงมากเสร็จแล้วก็คุยไปคุยมาเขาก็สงบสติอารมณ์ได้เขาก็เลยโอ้นี่เห็นไหมโทรศัทมันดับไปแล้วฟ้องอันนี้มันดับแล้วมันไม่เที่ยงนะดีถ้าทําผิดกฎหมายฟ้องเลยไม่เที่ยงแบบนี้นี่แหละดีนักแลเพราะฉะนั้นถ้าใครไปพูดบอกว่านี่สินเนี่ยมันใช้ไปหมดแล้วมันดับไปหมดแล้วเนี่ยพูดได้ไหม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 อัตอนหิวก็แม้ชอบเลือเกินอาหารชิ้นนี้เพราะอิ่มปั๊บไม่ชอบและวเนตันหาดับไปแล้วมันไม่ใช่แต่หมายถึงว่าดับตันหาเพราะอริยมรรตปฏิบัติจนดับตันหาได้ปฏิบัติจนดับพบดับชาติดับชรามรณะไอ้คําว่าดับตัวนั้นจึงเป็นอสังขตธรรมเป็นพระนิพพานทำเป็นที่สงบระงับดับทุกทั้งปวงนั้นนั้นความที่พระองค์รู้อย่างนี้แล้วปฏิญาณอย่างนี้การพูดแบบนี้แหละเรียกว่าฐานะที่องค์อาจเนี่ยนะ ฐานะที่องค์อาจแล้วก็ไม่ขั้นครามเนี่ยนะเป็นฐานะที่เขาเรียกว่าศีรนาศการบรรลือศีรนาศบรรลือแบบไม่ไม่ขั้นคลามก็คือไม่หวัน่นไม่เกรงไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นาว่าเท่าสมัยก็พูดไม่ได้ด่าใครด้วยหนึ่งพูดเป็นวจีสุดจริตด้วยอีกหนึ่งแล้วก็พูดถูกต้องด้วยอีกหนึ่งและคนที่พูดไม่มีกิลเลสแล้วด้วยหนึ่งและความรู้พูดแล้วเมื่อผู้อื่นรู้ได้รับประโยชน์ด้วยหนึ่ง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 พูดให้พระราชาฟังได้บ้านสวยเลยพอพูดให้คนพายเรือฟังเลยสลบเลยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะแล้วค่อยมาขึ้นทศพลยาน